ท ร, รมบทแปลเรื่องพระสุธรรมเถระภาคที่สเรื่องที่ห้าพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารอพระสุธรรมเถระตรัสพระธรรมเทศนานิว่ า, าสันตังภาวามิจฉยะปุเร ข, ขารัญจพิกุสุ อาวาเสสุจะอิสริยังปูชาปารั ก, กุเลสุจะมะเนวะกะตะมันยันตุคิหีปพะชิตาหุโพมะเมวะอติวะสาหสุกิจจาจิตเจสุกิมิจิอิติพาลัสะสังกโปอิสามนโนจะ วัดตัดแปลว่าภิกษุผู้ผ่านพึ่งปรารถนาความยกย่องอันไม่มีอยู่ความแวดล้อมในภิกษุทั้งหลายความเป็นใหญ่ในอาวาสและการบูชาในตระกูลแห่งชนอื่นความนําริย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ผ่านว่าเครือัดและบรรพชิตทั้งสองจงสำคัญกรรมหันเขาทำเสร็จแล้ว เพราะอาศัยเราผู้เดียวจงเป็นไปในอำนาจของเราเท่านั้นในกิจน้อยใหญ่กิจไรยๆริษยาและมานะย่อมเจริญแก่เธอผู้นั้นตอนจิตตะกระบดีถวายสวนเป็นสังฆารามก็เทศนาตั้งขึ้นแล้วในมัชชิกาสันทนครจบแล้วในกรุงสาวัตถี ความพิสดาลว่าจิตตะเรบดีในมัชชิกาสันตนกรเห็นพระมานามเทระซึ่งจัดอยู่ในพวกภิกษุปัญจวคีเที่ยวบินบาตอยู่เลื่อมใสในอริยบทของพระเทระแล้วจึงรับบาตนิมนต์ให้เข้าไปสู่เรือนให้ฉันแล้วในการเสร็จภัตกิจสดับธรรมกถา บรรลุโสดาปฏิปนแล้วเป็นผู้มีสตาไม่หวันไหวใคร่เพื่อจะทำอุทยานของตนอันชื่อว่าอัมบาต ก, กะวันให้เป็นสังฆารามจึงหลังน้ำลงไปในมือกองพระเตระมอบถวายแล้วในขณะนั้นมหาปัตปีก็หวันไหวจนถึงน้ำเป็นที่สุดโดยบอกเหตุว่า พระพุทธศาสนาตั้งมั่นแล้วมหาเศษฐีให้สร้างวิหารใหญ่ในอุทยานได้เปิดไว้แล้วเพื่อพวกพิสุผู้มาจากที่ทั้งปวงแล้วพระสุธรรมเทระได้เป็นเจ้าอาวาสอยู่ในมัชฉิกาสันตอนเคระบดีบรรลุอนาคามิผลโดยสมัยอื่นอีกพระ อักราสาวกทั้งสองสดับกาถาพันนาคุณของจิตตะเครือบดีแล้วใครจะทำความสงคเคราะห์แกเกรือบดีนั้นจึงได้ไปสู่มัชชิกาสันทะนะก่อนจิตตะเครือบดีทราบการมาของพระอักราสาวกทั้งสองนั้นจึงไปต้อนรับสิ้นทางประมาณกึ่งโยศ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 จึงห้ามเสียแม้กราบดีอ้อนบอนอยู่บ่อยๆก็ห้ามแล้วนั่นแหละกุบาศกจิตตะขราบดีจึงกล่าวว่าท่านจะปรากฏกรับแล้วเขาก็หลีกไปกุบาศกนั้นในวันรุ่งขึ้นจะแจงทานใหญ่ไว้ในที่อยู่กองตนในเวลาใกล้รุ่งแลแม้พระสุธรรมเทระคิดว่า ขรรบดีจัดแจงสักการะเช่นไรน้อแลเพื่อพระอัครสาวกทั้งสองพรุ่งนี้เราจะไปดูพระสุธรรมเทระก็ได้ถือบาทและจีวรไปสู่เรือนของกรรบดีนั้นแต่เช้าตรู่พระสุธรรมเทระนั้นแม้อันกรรบดีกล่าวว่านิมนต์นั่งเธอก็รับเธอก็กล่าวว่าเราไม่นั่ง เราจะเที่ยวบินาบาตรพระสุธรรมเตระก็ตรวจดูสาการะอันเคระบดีเตรียมไว้เพื่อพระหกครสาวกทั้งสองใครจะเสียสีคระบดีโดยชาติจึงกล่าวว่าเคระบดีสาการะของท่านล้นเหลือก็แต่ในสักการะนี้ไม่มีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นเคระบดีอะไรหรือครับพระเตระ ต่อว่าขนมแดกงากระบดีพระเถระนั้นถูกกระบดีผู้นั้นรุกรานด้วยวาจาอุปมาด้วยกาเธอจึงโกรธแล้วกล่าวว่ากระบดีนั่นอาวาสของท่านเราจะหลีกไปละ่ะแม้อันกระบดีห้ามถึงสมครั้งพระสุธรรมเทระก็หลีกไปสู่สำนักของพระาศาสดา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 แล้วรับสั่งให้สงลงปฏิสารนิยธรรมคือกรรมอันให้ระลึกถึงความผิดแล้วไปขอโทษเกรือัดจึงส่งไปว่าเธอจงไปให้จิตตะเรบดีหดโทษเสียพระเถระจึงไปในที่นั้นแล้วแม้กล่าวว่าเรบดีนั่นโทษของอาตมาเท่านั้น ท่านจงอดโทษแก่อธรรมาภาพเติดพระเทระถูกกระดาบดีนั้นห้ามด้วยคําว่าผมไม่อดโทษพระเทระนั้นก็เป็นผู้เกอร์ไม่อาจให้กระดาบดีนั้นอดโทษได้จึ้งกลับมาสู่สํานักพระาศาสดาอีกครั้งพระาศาสดาแม้ทรงทราบว่าอุบาสกจะไม่อดโทษแก่พระสุธรรมนั้น จึงทรงดำริว่าภิกษุนี้กระด้างพระมานะจงไปสู่ทางสามโยน์แล้วกลับมาจึงไม่ทรงบอกอุบายให้อดโทษเลยทรงส่งไปแล้วตอนสมณะไม่ควรทำมานะและริสยาครั้นในการที่ระสู่ธรรมเทระนั้นกลับมาพระาศาสดาประธานภิกษุผู้อนุทูต แ่เธอผู้นำมานะออกแล้วตรัสว่าเธอจงไปเถิดไปกับพิกสุตนี้จงให้อุบาสกขดโทษนังนี้แล้วก็ได้ตรัสต่อไปว่าธรรมดาสมณนะไม่ควรทำ ม, มานะหรือริสยาว่าวิหารของเราที่อยู่ของเราอุบาสก ข, ของเราอุบาสิกาของเราเพราะเมื่อสมณนะ ทำอย่างนั้นเหล่ากิเลสมีริสยาและมานะเป็นต้นย่อมเจริญเมื่อจะทรงแสดงธรรมสืบ อ, อนุสนทิจึงตรัสพระกถาเหล่านี้ว่าภิกษุผู้พานพึงปรารถนาความยกย่องอันไม่มีอยู่ปรารถนาความแวดล้อมในภิกษุทั้งหลายปรารถนาความเป็นใหญ่ในอาวาส และการบูชาในตระกูลแห่งชนเหล่าอินความดำริย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ผ่านนั้นว่าเครือขและบัะชิตทั้งสองจงสำคัญกรรมอันเราทำสาเร็จแล้วเพราะอาศัยเราผู้เดียวจงเป็นไปในอำนาจของเราเท่านั้นหิทิไรๆไไม่ว่าน้อยหรือใหญ่ดังนี้แล้วริสยาและมานะย่อมเจริญแก่เธอ บาลีว่าอาสันตังภาวะมิเฉยะปุเร ข, ขารันจะพิกุสุอาวาเสสุจะอิสเรียงปูชาปารั ก, กุเลสุจะมเนวะกะตะมันยันตุคิหีปพะชิตาอุโภมะเมวะอาติวาสาอัสุ กิจจากิจเจสุกิจมิจิอิติภาระสสังกปโปอิสามาโนจะวัตต์ต ด, ดังนี้ก็ในบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าอะสันตังแปลว่าอันไม่มีอยู่หมายความว่าภิกษุผู้พานพึงปรารถนาความสรนเสริญอันไม่มีอยู่คือภิกษุผู้พาน ไม่มีศรัทธาเป็นผู้ทุศีลสะดับฝั่งน้อยไม่สงัดเหียดคร้านมีสติไม่ตั้งมั่นมีจิตไม่มั่นคงมีปัญญาสามไม่ใช่ขีณาศพย่อมปรารถนาความยกย่องหันไม่มีอยู่นี้ว่าสะไดหเนอชนทั้งหลายปึงรู้จากเราว่าภิกษุนี้มีศรัทธามีศีล เป็นผู้สูตรเป็นผู้สงัดปรารบความเพียนมีสติตั้งมั่นมีจิตมั่นคงมีปัญญาและเป็นพระกีนาศบดังนี้โดยในัยยิที่ตรัสไว้ในปาปิจชะตานิเทศว่าภิกษุเป็นผู้ไม่มีสตาเลยย่อมปรารนาว่าชนเราอื่นจงรู้ว่าเราเป็นผู้มีสท้าเป็นต้น ส่วนคำว่าปุเร ข, ขารังแปลว่าแวดล้อมคือซึ่งบริวารอธิบายว่าภิกษุผู้พานตั้งอยู่ในความประพฤติด้วยอำนาจความอยากอย่างนี้ว่าเช่นหนอภิกษุในวิหารทั้งสิน้นพึงแวดล้อมเราผู้ตามปัญหาอยู่ชื่อว่าย่อมปรารถนาความแวดล้อมในภิกษุทั้งหลาย คำว่าอาวาเสสุแปล ว, ว่าในอาวาทได้แก่ในอาวาทอันเป็นของสงฆ์อธิบายว่าภิกษุผู้พานจะเสนาสนะบรมนีดในถ้ำกลางวิหารเพื่อภิกษุทั้งหลายมีภิกษุที่เป็นเพื่อนเห็นและเพื่อนคบเป็นต้นของตัวโดวยบอกว่าพวกท่านจงอยู่ในเสนาสนะนี้ ส่วนตนเกียรติกันเสนาสนะที่ดีจัดเสนาสนะอันสามและเสนาสนะอันอะมนุษย์หัวงแหนแล้วซึ่งตั้งอยู่สุดท้ายเพื่อภิกษุอกัรตุกะที่เหลือทั้งหลายด้วยบอกว่าพวกท่านจงอยู่ในเสนาสนะนี้ชื่อว่ายอมปรารตนาความเป็นใหญ่ในอาวาสคาว่า บูชาปาระกุเลสุจะแปลว่าการบูชาในตระกูลแห่งชนอื่นหมายความว่าภิกษุผู้พานย่อมไม่ปรารถนาการบูชาด้วยปัจจัยสีในสกุลของมารดาและบิดาเลยและของพวกญาติก็ไม่ปรารถนาแต่ย่อมปรารถนาในสกุลของชนเราอื่นเท่านั้นอย่างนี้ว่า เสน่หนาจนเหล่านี้พึงถวายแก่เราคนเดียวไม่พึงถวายแก่ภิกษุเหล่าอื่นก็ข้อที่ว่ามะเมวะกาตะมันยันตุแปลว่าจงสาคัญกรรมอันเขาทาเสร็จแล้วเพราะอาศัยเราผู้เดียวหมายความว่าก่อความดำริย่อมเกิดขึ้นแกภิกษุผู้ผ่านนั้นว่า กระหัสและบันปชิตแม้ทั้งสองจงสําคัญกิจอันตนทําแล้วคือที่สําเร็จแล้วพระอาศัยเราเท่านั้นโดยความประสงค์อย่างนี้ว่านวกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เขาทําแล้วในวิหารโดยการกระทํานวกรรมมีโรงอุโบสถเป็นต้นนวกรรมนั้นทั้งหมดอันพระเทระของพวกเราทําแล้วหนังนี้ ข้อที่ว่ามะเมวะอติวสาอาสุแปลว่าจงเป็นไปในอำนาจของเราเท่า น, นั้นหมายความว่าความดำริย่อมเกิดขึ้นแกพิษุผู้ผ่านนั้นว่าเครือ่องอาและบรรปะชิตแม้ทั้งหมดจงเป็นไปในอำนาจของเราแต่ผู้เดียวคือพาณะและเครื่องอุปกรณ์ทั้งหลายเป็นต้นว่า เวียนโกพระขวานหรือโดยที่สุดกิจทั้งหลายเป็นต้นว่าอุ่นแม้เพียงข้าวยากูแล้วดื่มอันเครียดและบรรปัตชิดจะพึ่งได้ก็ตามเถิดแต่บรรดากิจน้อยและกิจใหญ่คือบรรดากรณียกิจทั้งน้อยทั้งใหญ่เห็นบ่านนี้เครียดและบรรปัตชิดทั้งหลาย จงเป็นไปในอำนาจของเราเท่านั้นในกิจไรๆคือแม้ในกิจอย่างหนึ่งอธิบายว่าจงถามเราเท่านั้นแล้วจึงกระทำคำว่าอิติพาลัสสะแปลว่าแกพิกษุผู้ผ่านหมายความว่าความอยากนั้นและความดำริเห็นป่า น, นี้ย่อมเกิดขึ้นแกภิกษุผู้ผ่าน คนใดวิปัสสนามักแลผลย่อมไม่เจริญทีเดียวแก่ภิกษุผู้ผ่านนั้นแต่ตัณหาซึ่งบังเกิดขึ้นในทวารทั้งหและมานะ9้าอย่างย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ผ่านนั้นอย่างเดียวเหมือนน้ําเจริญแก่ทะเลในเวลาพระจันทร์ขึ้นฉะนั้นในการจบเทศนา จนเป็นนันมากบรรลุเรียผลทั้งหลายมีสวสดาปฏิพลเป็นต้นเรื่องนี้แหละตอนพระสุธรรมเทระบรรลุพระอรหัตแม้พระสุธรรมเทระฟังพระโอวาทนี้แล้วถวายบังคมพระาศาสดาลุกขึ้นจากอาสนะกระทำพระทักษิณแล้วไปกับภิกษุผู้เป็นอนุทูตนั้น กระทำคืนอาบัติในคลองจักสุก ข, ของอุบาสกอย่างอุบาสกให้อดโทษแล้วพระสุธรรมเทระนั้นอ่านอุบาสก ข, ข, ขอให้อดโทษ ด, ด้วยคาว่ากระผมอดโทษครับถ้าโทษของกระผมมีขอท่านอดโทษแก่กระผมด้วยดัง น, นี้แล้วพระเถระตั้งอยู่ในพระโอวาทที่พระาศาสดาประกาศแล้ว โดยสองถึงสาหมันเท่านั้นก็บรรลุพระหรหัดพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาแล้วตอนจิตากระบดีไปเฝ้าพระศ า, ศาสดาฝ่ายอุบาสกคิดว่าเรายังไม่ได้เฝ้าพระศาสดาเลยเมื่อบรรลุโสดาปฏิบุแล้วยังไม่ได้เฝ้าพระศาสดาเหมือนกันเมื่อนำรงอยู่ในอนาคามิผล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 พระผู้เป็นชาติทั้งหลายเหล่านั้นจงไปจะไม่ลำบากด้วยบินบาตเป็นต้นดังนี้แล้วก็ให้แจ้งทั้งแก่หมู่ภิกษุณีทั้งแก่พวกอุบาสกทั้งแก่พวกอุบาสิกาภิกษุประมาณ500รูปภิกษุณีประมาณ500รูปอุบาสกประมาณ500อุบาสิกาประมาณ500ออกไปกับเรื่องบดีนั้น เขาตระเตรียมแล้วโดยประการที่จะไม่มีความบกพร่องสักน้อยหนึ่งด้วยข้าวยาคูและพัดเป็นต้นในหนทาง30โยช์เพื่อชนสามปันคนคือเพื่อภิกษุเป็นต้นเหล่านั้นนั่นแหละและเพื่อบริษัทของตนฝ่ายพวกเทวดาทราบความที่อุบาสกนั้นออกไปแล้วปลูกค้ายที่พักไวทก้ทุกๆุกโยน์ บำรุงมหาชนนั้นด้วยอาหารวัตถุมีข้าวอยากกูของขวนเคี้ยวพัดและน้ำดื่มเป็นต้นอันเป็นทิศความบกพร่องด้วยวัตถุอะไรๆ ไ, ไม่ได้มีแล้วแก่ลครๆมหาชนอันเทวดาทั้งหลายบำรุงอยู่อย่างนั้นเดินทางได้วันละโยตรวันละโยต์โดยเดือนหนึ่งก็ถึงกรุงสาวัตถี เกวียนทั้งห้ารอยเล่มยังเต็มบริบูรณ์อยู่เช่นเดิมนั่นแหละกระบดีได้สละบรรณาการหันพวกเทวดานั่นแหละและมนุษย์ทั้งหลายนำมาไปแล้วตอนเกิดมีปฏิหารพระศาสดาตรัสกับพระอนุเทรว่าอ น, นุในเวลาบ่ายวันนี้จิตตะกระบดี อันุบาศก500ห้าร้อยอ้อมล้อมแล้วจะมาไหว้เราพระอนนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ในการที่จิตตะคะเรบดีนั้นถวายบังคมพระองค์ปาฏิหาริย์ไรจะมีหรือพระชจ้าพระศาสดาข้อนั้นจะมีอนนท่านพระอนนปาฏิหาริย์ไรพระชจ้าาพระศาสดา ก็ในการที่จิตตะกระบดีนั้นมาไหวเราฝนลูกเห็บแห่งดอกไม้ทิพมีสีห้าสีจกตกโดยท่องแถวประมาณเพียงเข่าในสถานที่ประมาณแปดกรีดโดยวิธีนับอย่างของหลวงเมื่อชาวเมืองได้ฟังข่าวนั้นแล้วจึงคิดว่าได้ยินว่าจิตตะกระบดีผู้มีบุญมากอย่างนั้น จะมาถวายบังคมพระศาสดานในวันนี้เขาว่าปฏิหารเห็นปานนี้จะมีแม้พวกเราจะได้เห็นผู้มีบุญมากนั้นดานี้แล้วก็ได้ถือเอาเครื่องบรรณาการไปยืนอยู่สองข้างทางในการที่จิตตกระบดีมาใกล้วิหารพิสูุ500รูปมาถึงก่อนจิตากระบดีกล่าวกับพวกอุบาสิกาว่า แม่ทั้งหลายพวกท่านจงมาข้างหลังส่วนตนอันอุบาสกห้าร้อยแวดล้อมแล้วได้ไปสู่สำนักของพระสัสดาก็ชนทั้งหลายผู้ยืนก็ดีนั่งก็ดีในที่เฉพาะพระพักของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ได้มีข้างนี้หรือข้างโนนย่อมยืนอยู่แน่นขนาดเดียว ในสองข้างแห่งพุทธวิถีจิตตะกระบดีก้าวลงสู่พุทธวิถีใหญ่แล้วที่อันพระอริยาสาวกผู้บรรลุผลสามแลดูแล ด, แลดูวันไหวแล้วมหาชนแลดูโดยคิดว่าเขาว่าคนนั้นคือจิตตะกระบดีกระบดีนั้น เข้าเฝ้าพระศัสดาเข้าไปภายในพระพุทธรัศมีมีพรรณาหกจับประบาทของพระศัสดาที่ข้อประบาททั้งสองถาวายบังคมแล้วในขณะนั้นเองฝนดอกไม้มีประการดังกล่าวมาได้ตกลงแล้วสาธุการปันหนึ่งได้เป็นไปแล้วตอน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 ได้พักอยู่ในระหว่างทางเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งของค้าพระองค์ล่วงไปแล้วในที่นี้ค่าแต่พระองค์ผู้เจริญค้าพระองค์ไม่ได้เพื่อจะถือเอาของอะไรๆที่ค้าพระองค์นำมาเลยได้ถวายทานสิ้นการเท่านี้ด้วยบรรณาการที่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนำมาเท่านั้นแม้ถ้าค้าพระองค์นั้นจะอยู่ในที่นี้สิ้นปีหนึ่ง ก็จะไม่ได้เพื่อจะถวายติยธรรมของข้าพระองค์แน่แท้ข้าพระองค์ปรารถนาจะถ่ายกเกวียนแล้วไปขอพระองค์จงโปรดให้บอกที่สําหรับเก็บแก่ข้าพ ร, ร, ระองค์เถิดพระศัสดาจึงตรัสกับท่านพระอ น, นุตเทรว่าอา น, นุเธอจงให้จัดที่แห่งหนึ่งให้ว่างให้แก่อุบาสกเถิด ประเทราได้กระทำอย่างนั้นแล้วได้ยินว่าพระศาสดาทรงอนุญาตกะปิยาภูมิแก่จิตตะกระบดีแล้วตอนจิตตะกระบดีเดินทางกลับฝ่ายอุบาสกกับชนสามปันซึ่งมาพร้อมกับตนเดินทางกลับด้วยเกวียนเปล่าแล้วพวกเทวดาและมนุษ ลุกขึ้นแล้วจึงกล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายท่านทำกรรมคือการเดินไปด้วยเกยวียนเปล่าหนนี้แล้วก็บรรจุกเกวียนให้เต็มด้วยรัตนเจ็ดประการเระ่งรดีนั้นได้บำรุงมหาชนด้วยบรรณาการอันเขานำมาเพื่อตนไปแล้วพระอนุนเทระ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 ทำเกวียนห้าร้อยเล่มให้เปล่าจะไปโดยเดือนหนึ่งเหมือนกันก็เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายลุกขึ้นแล้วเปล่าแกกริยบดีนั้นว่าพระผู้เป็นเจ้าท่านทำกรรมคือการเดินไปด้วยเกวียนเปล่าดังนี้แล้วก็บรรจุกเกวียนให้เต็มด้วยรัตนเจตประการได้ยินว่ากั ร, ริบดีบรุงมหาชนด้วยเครื่องบรรณาการ เทวดาและมนุษย์นำมาเพื่อตนนั่นแหละจะกลับไปพระเจ้ขาข้าก็สาการะนี้เกิดขึ้นแก่กระบดีนั่นผู้มาสู่สำนักของพระองค์เท่านั้นหรือหรือแม้ไปในที่อื่นก็เกิดขึ้นเหมือนอย่างนั้นพระศาสดาตรัสว่าอา น, นุนจิตะกระบดีนั้นมาสู่สำนักของเราก็ดี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 ในปักินนากาวักนี้ว่าผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลเพียบพร้อมด้วยยศและโภคะย่อมคบคือไปในประเทศใดประเทศนั้นย่อมเป็นผู้อันเก่าบูชาแล้วในประเทศนั้นนั้นที่เดียวก็เนื้อความแห่งพระคตานั้นจากแจมแจ้งในปกินนาการวันั่นแหละตอน บุรพกรรมของจิตตกรือบดีเมื่อพระศาสดาตรัสอย่างนั้นแล้วพระอนุเตระจึงทูลถามบุรพกรรมของจิตตกรือบดีลำดับนั้นพระศาสดาเมื่อจะตรัสแก่พระอนุเตระจึงตรัสว่าอ น, น์จิตตะเกเรือบดีนี้มีอภิิหาร มันทำไว้แทบบาดมูลของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปะทุมุตระท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทิ่นแสนกับในการแห่งพระพุทธเจ้าส่งพระนามว่ากัสปะเกิดในสกุลของปราดเนื้อถึงความเจริญแล้วในวันหนึ่งเมื่อฝนตกอยู่ ถือหอกไปสู่ป่าเพื่อต้องการจะล่าเนื้อตรวจ ด, ดูหมู่เนื้ออยู่เห็นภิกษุรูปหนึ่งนั่งคลุ่มศีรษะที่เงื้มที่เกิดเองแห่งหนึ่งจึงมีความคิดว่าพระผู้เป็นเจ้ารูปเดียวจะนั่งทำสมณธรรมเราจะนาอาหารมาเพื่อพระผู้เป็นเจ้านั้นนั่นนีแล้วจึงรีบไปสู่เรือน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 แก่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายดังนี้แล้วก็ใส่พัดนั้นลงในตะกร้าถือเดินไปเลือกเก็บดอกไม้ต่างๆในระหว่างทางห่อด้วยใบไม้ไปสู่ที่พระเถระนั้นนั่งแล้วแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญขอท่านจงทำความสงเคราะห์แก่กระผมเถิดนึด่งนี้แล้วในพระรา น, นั้น รับบาททำให้เต็มด้วยพัดแล้ววางไว้ในมือของพระเตระกระทำการบูชาด้วยดอกไม้เหล่านั้นตั้งความปรารถนาว่าบินบาทอันมีรถนี้พร้อมด้วยดอกไม้เรื่องบูชาทำจิตของข้าพเจ้าให้ยินดีฉันใดขอบรรณาการพันหนึ่งงมาทำจิตของข้าพเจ้าให้ยินดี ในที่ที่ข้าพระเจ้าเกิดแล้วเกิดแล้วฉะนั้นและขอฝนดอกไม้มีสีห้าสีจงตกลงหนังนี้เขาบาเพ็นกุศลจนตลอดชีพแล้วเกิดในเทวโลกฝนดอกไม้ทิบตกแล้วโดยท่องแถวประมาณเพียงเขา่าในที่ที่เขาเกิดแล้วแม้ในการนี้